แนะนำบทอัลกออริยาบทอัลกออริยาเป็นบทมักกิยาที่กล่าวถึงวันเกียรา์มาและความน่ากลัวของมันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่ยิ่งใหญ่และน่าหวาดกลัวอาทิเช่นการออกมาของมนุษย์จากสุสานการแพร่กระจายของพวกเขาในวันอัน น, น่ากลัวนั้นเสมือนกับมแมลงเม่าที่บินกระจายว่อนไปทั่วทุกขนทุกแห่งเดินไปเดินมาอย่างไม่มีระเบียบเพราะควา ม, มงงงวยและความตกใจของพวกเขา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 บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตราชูซึ่งจะช่างกางงานของมนุษย์มนุษย์จะแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือบรรดาผู้มีความสุขและบรรดาผู้มีความทุกข์ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนักและความเบาของตราชูบทถูกขนานนามว่าอัลกอริอัเพราะมันจะ้อจิตใจและการฟังให้ตรหนักถึงความหมายณะที่จะเกิดขึ้น พระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลกอาริารอะอะลกอริ عت. อะนั้นคือะอะไ ร, รอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ว่าอะลกอริอะนั้นคืออะไรวันที่มนุษย์จะเป็นเช่นมแมลงเม้าที่กระจายวัน ال ال และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่เปลี่ยววัน ه ه ส่วนผู้ที่ตาชูของเขาหนักเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผาสุก แต่ส่วนผู้ติตราชูของเขาเบาที่พนักของเขาก็คือเหวลึกและอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าพวิยาคืออะไรคือไฟอันร้อนแรง